พระเจ้าสอนว่าถาสอนคารวะก็เริ่มต้นด้วยทานด้วยศีลด้วยอนุบุพกคถาแล้วก็ถึงจะเริ่มเรื่องการภาวนาเรียงตามลาดับมาแต่ส่วนใหญ่สอนมาแค่ทานศีนลด้วยอนุบุพิคถาคือผลของกรรมดีกรรมชั่วบุญบาปแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในความดีทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมุณาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย้อนแต่เป็นไปตามกรรมเชื่อมัน่น ในบุญในบาปกรรมดีกรรมชั่วเชื่อมั่นในพระพุธะทธธรรมประสงค์แค่นี้ก็ได้โสดาบันแล้วนั่นคนทั้งหลายนี่ยังไปเชื่อหมอดูบอกว่าหมอดูดูว่าจะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ได้โสดาบันเพราะว่าโสดาบันนี่เชื่อในกรรมดีและกรรมชั่วแล้วเชื่อในพระพุทธระธรรมประสงค์ศรัทธาไม่หงอนแง่นบขอแขนแค้นไม่ศรรีรษะตับปอบมาศภาษาแปลว่าลูกคําศีลคือเชื่อจริงๆ บาปกรรมเชื่อทั้งหลายไม่ทําแล้วแล้วก็นับแต่มาปฏิบัติธรรมก็ตั้งใจทําคุณงามความดีแม้แต่ยุงไม่แต่มดไม่แต่ปวกก็ไม่ได้ฆ่าเขาเราก็เคยเกิดเป็นชีวิตเคยเกิดเป็นอย่างเขาเหมือนกันพระอราหันต์ทั้งหลายก็เกิดมาต่างๆกันเยอะแยะมากมายแต่ละท่านพุทธเจ้าก็เกิดมาเป็นตรีชานมาเยอะมากมายงนั้นที่เราตกไปเราฆ่าไปก็ไม่รู้ฆ่าพุทธเจ้าพระอราหันต์ที่จะไปเป็นพุทธเจ้าเปาา็อรหันต์เท่าไหร่ทัานอย่าอย่าไปทําเขาเนี่ยสมัยพุทธเจ้าเทศถึงตรงนี้ก็ สำเร็จโสดาบันหมดกลัว บ, บาปกรรมดุลลันลึกถึงแล้วก็ตั้งตาในพระพุธทธธรรมพระสงค์ศรัทธาในคุณงามความดีที่ท่านได้สั่งสมมาในพระพุธทธธรรมพระสงค์เราต้องตัง้งศรัทธาว่าขอคุณงามความดีที่พระ อ, องค์ได้บำเพ็ญเตียนมาแล้วขอพระธรรมพระ อ, อรหันต์คุณงามความดีคุณบรารมีที่ได้ทํามาแล้วทําใดทิฏานใดที่พระ พ, พุทธเจ้าได้บรรลุแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายได้บรรลุธรรมนั้นแล้วความวนนดุดพ้นลันใดที่ ท่านได้บรรลุธรรมนั่นแล้วพระหลานทุกอ ง, องได้รู้แล้ลวรวมทั้งหลวตามหาบัวได้บรรลุธรรมนั่นแล้วขอจงเมตตาให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้บรรลุธรรมนั้นให้รู้แจ้งในธรรมนั้นในปัจจุบันนี้ด้วยเทอินแล้วเราก็ตั้งใจอย่างนั้นตั้งใจที่จะทําความดีตั้งใจที่จะบำเพ็ญเพียรปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนอย่างท่านอย่างนี้เรียกว่าท่านเข้าสู่กระแสของโสดาบัน ตะกาาิตาคานาคาอรหันเข้าสู่กระแสของธรรมแล้วมีความศรัทธา แ, แนวันนไม่ใช่ศรัทธาตัวบุคคลแต่ศรัทธาที่จะทําตัวเราให้บรรลุนิพพานให้รู้แจ้งในธรรมเข้าถึงจิตถึงใจซึ่งเป็นนิพพานธาตุธรรมธาตุอย่างที่พระพุทธเจ้าพาะาาาระธรรมพระอรหันตุกพระองค์ุบาองงาจารย์ทุกท่านได้บรรลุแล้วได้ถึงแล้วเราตั้งใจอย่างนี้ตั้งปฏิจจ์อย่างนี้ถ้าแผ่นดินไม่กบหน้าเมื่อไหร่จะต้องปฏิบัติ ให้รู้แจ้งในธรรมเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมนั้นให้ได้เชื่อมั่นในบุญและบาปกรรมดีและกรรมชั่วถ้าเราเนี่ยไม่เคยทําบาปกรรมกับเขามาก่อนไม่เคยทําอย่างนั้นจริง ท, ที่เขาจะมาทํากับเราก็ไม่มีเราเคยไปทําเข้ามาก่อนเราก็ได้รับผลกรรมเราก็เอ้ะก็แลกไปจบกันายชดใจกันไปให้หมดสิ้นไปก็ให้อ ภ, ยอ ภ, ยอภยัยใหโหติกรรมไปจะไปจองเวรอีกใจเราก็มีความบริสุทธิ์มากขึ้นไม่มาอาฆาตหมาดรลายทันสังเกตดูเราเวลา สมวมนไหว้พระแต่เมตตาเราชอบขอให้เขาให้อโหติกรรมต่อเราอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อเราจงอโหติกรรมให้แก่ข้าพเจ้าแต่ท่านลองดูสิว่าท่านแทบจะไม่เคยได้นึกเลยว่ากรรมใดที่ทุกท่านเคยล่วงเกินข้าพเจ้าสังกายว่าจ่าใจทั้งที่รู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีประมาททั้งเผก็ดีได้วย ว, วิชาคดีทุกภพทุกชาติจนถึงในชาตินี้ข้าพเจ้าไม่ขอโกดแคนแค้นเคืองไม่ขอข้างข่าใจข้าพเจ้าขอให้อโหติกรรมทั้งหมดทั้งสิน ไม่ขอให้มีเวทมีกรรมไม่ผูกพยาบาทไม่อาฆาตแค้นแค่นี้ถ้าเริ่มนึกดูสอว่าท่านไม่มีอะไรค้างคาติดคางอยู่ในใจเลยเนีบางท่านเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ทำเลยมีความแค้นเคืองค้างคาเจ็บแค้นชอกช้าใจละก ร, รําใจน้อยเนื้อต่ําใจอู้วุ่นวายไปหมดเนี่ถ้าท่านยังไม่ไม่สละละวางไม่ปล่อยวางไปไม่ได้เพราะมันติดอยู่นครับก่อนอื่นท่านต้องให้อภยัย หายไปก็ตะกอดดันัในใจมันต้องไม่มีอะไรเลยที่ข้างขามันจึงจะเป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องจิตใจมันก็ไม่มีความเล่าร้อนไม่ร้อนลอนไม่กวนก็ไวเพราะความที่ไม่พอใจอต่อไปโอ้่านทานได้แค่นี้ก็โอ้โหที่สุดของความอิ่มเอิบใจแล้วแต่ยังยังไม่อิ่มเอิบใจสุดใจถึงที่สุดเพราไหะไรติดลักไม่ติดทางแต่ติดลักไอ้นี่ก็ดากอีกอะ ไม่ชังแล้วแต่ติดลักไปไม่รอดต้องติดรักติดจามมันก็เกิดไปชาติใหม่ก็ไปเวนเวียนการทํากรรมต่อพันต่อไปอีกไม่จบสิน้นนะครับมันไม่มันไม่จบสิ้นที่ใจหนังสืเอเล่มใหม่จบที่ใจมันไม่จบที่ใจมไม่ได้ติดลักติดชังท่านทั้งหลายเมื่อไม่ไม่อาค่าพยาบาทศรัทธาเชื่อมันน่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์สิ้นห้าท่านไม่ผิด ไม่ทำผิดแล้วบาปกรรมเราจะไม่ทําแล้วนับตอนนี้ไปไม่ทําบาปกรรมอีกก็เอาใหม่ตั้งต้นชีวิตไปเป็นคนดีบำบัดบุญทางกุศลสวดมนต์ไหวพ้พระทำบุญให้ทานให้ทานก็ทำแต่ง่ายๆพระเจ้าทา่านตัดเรื่องคุณธรรมของผู้รับคุณธรรมของผู้ให้แล้วก็ทรัพย์ที่ได้บริสุทธิ์ทั้งการเซอร์ั้งแต่กลับบ้านดูว่าเสื้อผ้าของใช้อะไรของใช้เบทเติลเล็ดทุกชนิดที่ท่านคิดว่าเดี๋ยวเราจะไว้ใช้ แต่ปีนึงก็แล้วสองปีก็แล้วยังไม่เคยได้หยิบมาใส่หยิบมาใช้เลยกระเป๋าใบนี้กระโป๋งนี้เสื้อผ้านี้ยังไม่เคยหยิบใช้เลยตั้งสองปีแล้วก็ยังไม่เคยได้หยิบใช้เลยอย่างนี้แสดงว่ามันไม่มีความจําเป็นสาหรับท่านนะมันสวยยังไงทัา น, นก็ต้องตัดใจบริจาคไปนะให้ให้ไปไดหมดแล้วก็ถึงปีตารวจใหม่อะไรที่เราปีหนึ่งผ่านมาไม่เคยแตะเลยไม่เคยมองเลยให้ก็ไปครับคนอื่นอาจจะมีประโยชน์ได้นํามาใช้ก็ให้ไป มันจากน้อยมันทำยากมากนะแต่ละเมอทาได้ต่อไปไม่ยากแล้วการให้ทานก็ไม่ยากเรื่อมันก็เริ่มจากอย่างเนี้ครับเริ่มจากนน้อยในบ้านก่อนในบ้านในบ้านก่อนแล้วมันค่อยๆค่อยๆใจใหญ่ไปมันก็อิ่มเอิบใจนะอิ่มเอิบใจที่เราได้ทํานะอะให้ทานที่สุดแล้วก็ให้อภัยท า, านให้อภัยาาทานที่จิตใจของท่านให้อภัยาาให้หมดโอ้ใจก็ไม่มีอะไรค้างคาหมดแล้วความรักก็ค่อยๆตัด ที่แจมแป๊บไปแปบไปเว๊บไปแล้วมันค่อยๆรู้ตัทันเอาตัวกระจาไม่อยู่ในการตัวกระจัยไม่อยู่ในการตัวกระจไม่อยในการังค่อยๆรู้ตัทันรู้ทันรู้ทันวมันแปบไปแล้วอาจารย์พูดดีมากเลยอยากให้มาฟังเกินเลยอดีแวบไปแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบแปบไปแล้วไปแปบไปถึงอยากให้ลูกมาฟังอยากให้สามีมาฟังอะไรเนี่ยแวบไปแล้วตัวกระจายไม่อยู่ในการแล้วก็รู้ตัทันรูทันร้วนความรักนี่ต้องค่อยรู้ตัทันค่อยรู้ทัทันแล้วก็ตัดใจได้ผมก็ปฏิบัติธรรมใน เมืกับพู้ท่านทั้งหลายแต่นิพพานนั้นเป็นธรรมันยิ่งใหญ่เจ้าอื่นก็ค่อยตัดใจหมดออกไปไม่ไม่ห่วงใหญ่ไม่อะไรไม่ปราถนาสิ่งใดไม่เอาอะไรเหลือลูกเหลือภรรยาก็ค่อยๆตัดใจฝากเขาต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ฝากต่อพระธรรมพยายามต้อนธรรมที่ธรรมให้เขาชื่อตัวเองได้ให้ค่อยเข้าใจธรรมเมื่อผมจากไปแล้วเขาก็จะได้นําหลักธรรมคาสอนเนี่ย ไปเดินทางเองไปดำเรงชีวิตของตัวเองได้เพื่อทู่มมรรติปานเองได้ทำนั้นก็จะเป็นผู้ที่ที่นําเขาอย่าจะติดที่ตัวบุคคลให้เอาหลักธรรมคาสอนไปดาเนินชีวิตให้เอาหลักธรรมคาสอนไปปปฏิบัติผมเคยพาคนณะไปที่ต้นโพที่อินเดียทีแรกก็ไม่ได้เกี่ยไปบอกว่าไม่อยากไปเพาะไม่อยากเอาอะไรเลยแต่ก็ไม่อยากไปหลวงพุทธาถามว่า มีผู้มาขอหลวงพุทาไปอินเดียหลวงูุทาหันมารรถามผมว่าผู้ศาอยากไปไหมอินเดียไม่อยากไปผมอยู่กระธรรมก็ตบอาจารย์อยู่นะผู้ไปทางขารคำไ ป, ไปกี่วันลูกกลิ่น ม, มาขอร้องอาจารย์ไปอินเดียหน่อยอยากไป <S <S อยากเอาเอาจารย์ไปด้วยเพราะว่ามีอาจารย์ไปไมันจะได้รู้สึกว่าเออได้รู้อะไรแปล ก, ก, กใหม่บ้างอะไรเงี้ยไม่มีอาจารย์ไม่มีใครช่วยบรรยายไม่รู้อะไรแปล ก, กใหม่อ ะ, อะไรเงี้ยอ้ไปไปตอนวันอังคารก็ไป วันแรกไปโอ้โหว่ามีโปรแกรมจะไปตรงนู้นจะไปตรงนี้ปผาบพาบไปนั่งที่ใต้ต้นโพที่พุทธคยาพอนั่งแล้วมันปุ๊บมันก็สงบหว่างการตกจิตก็ไม่ต้องทำเลยมันเหมือนอะไรเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเอ ง, เ อ, งอยู่ในจิตอย่างนั้นเนี่มันหายไปไหน็ว่างไปหมดเลยสว่างทั้งโลกธาตุเป็นูปพิเศษเยอ มาแต่เช้าเลยพวกนี้เราว่าจะโปรแกรมเดี๋ยวจะไปไหนแต่เชา้าไม่ต้องล้ตื่นแต่เช้าเช้าๆหน่อยเราทำเวลามาที่ต้นโพแต่เช้าพอมาถึงตอนเช้านั่งปั๊บทำปรากฏเลยว่าทำที่นี่เป็นของพระพุทธเจ้าย่อหมายเลยว่าจะมาเอาพิพานที่นี่เพราะที่นี่มันเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าได้มาสัมผัสธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองไม่ใช่ธรรมของเจ้าเจ้าจงหลักธรรมคาสอนกลับไปปฏิบัติที่ประเทศของเจ้าหันมาลูกลุกลูกกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุก เหมือนกับว่าคาของพระเจ้าที่ท่านตัดสรู้รถแห่งธรรมที่ต้นโพเนี่ยนะเหมือนกับต้นโพใหญ่ปกคลุมเราเหลือจะไปเป็นต้นโพอีกต้นหนึ่งคือบุรุณิปานอีกต้นหนึ่งในใต้ต้นโพนั้นได้ต้นไม้เล็กจะเกิดขึ้นในใต้ต้นไม้ใหญ่ได้ยังไงเพราะต้นไม้ใหญ่นี่เป็นร่มเงาหนาแน่นถ้าขนาดนั้นธรรมชาติย่อมขึ้นไม่ได้อยู่แล้วต้นไม้เล็กที่นั่นไปเพียงแค่ได้ไปชมบารมีของพระพุทธเจ้า ไปชมแสงแห่งธรรมแค่นั้นเองแต่อย่าหมายว่าจะไปงอกพื้นต้นหมายที่นั่นได้ปฏิพัติที่นั่นได้ก็นําหลักธรรมคาสอนมานําหลักธรรมคาสอนมาพื้นปฏิบัติอย่างเงี้ยพอถึงขั้นในหมวดการปฏิบัติเนี่ยพุทธเจ้าก็จะพูดถึงให้รู้เรื่องตั้งแต่ศีลทานบุปพิกขารู้จักบุญรู้จักบาปลัทธิกรรมชั่วเสร็จแล้วก็จะมาพูดให้รู้จักธาตุขันขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณอายตนะภายใน อายตะตะนะภายนอกแล้วก็นิพพานหรือปฏิจจสมุปบาทอริยสัตวสี mm hmm. ก็จะจบลงตรงนี้เมื mm ่อ hmm. ผู้เช่าพูดจบนะถึงที่สุดเรียงลําดับมา mm hmm. ก็จะค่อยๆไปรูนิพพากษ์กันไป mm hmm. คาสอนมีตั้งแปดหนึ่งสี่พัพระธรรมขันธ mm ์ hmm. สองอย่างนี้ครั้งหนึ่ง mm hmm. ไม่ไม่สาเร็จ mm hmm. ก็ก็อยู่ตรงนี้เนี่ยในธาตุในขันธ์ในชนะในปฏิจจสมุปบาทในสัตวสสี่นี่แหละ mm hmm. แต่งแง่การพูดเนี่ย ก็จะแตกหลากหลายออกไปเช่นสอนธรรมะจักรกัลปังสูตรปัญจวคีตังห้าฟังแล้วอัญญกุลธัญญาบรรลุแค่โสดาบันเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นบรรลุสดาบันแล้วจิตควรแก่กลารแล้วก็เทศอีกคนหนึ่งเทศอนัตตลักษณคณะสูตรอนัตตลักษณคณะสูตรเรื่องของขันห้าให้เห็นว่าขันห้าคือลูกคือร่างกายเราเนี่เป็นของไม่เที่ยงต้อง แก่ต้องเจ็บต้องตายที่ทุกคนหลีกหนีไม่พ้นดังในคำตดที่ว่าเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่อยากจะล่วงพ้นความแก่ไปได้เราต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่อยากจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้เราต้องมีความตายมีความตายเป็นธรรมดาไม่อยากจะล่วงพ้นความตายไปได้สิ่งนี้เป็นสัจธรรมคือความจริงที่ทุกคนต้องเผชิญหรือจะกวได้ว่า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 ทุกข์เพราะความไม่สมหวังไม่สมปรารถนาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้อย่างใจก็เป็นทุกข์ประสบกับความไม่สมหวังไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ประสบกับความไม่พอใจไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพัดภาาจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ในโลกความวิตกกังวลเป็นทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความคับแค้นใจทั้งหลายเป็นทุกข์ทีวิตประสบกับความทุกข์ตลอดเวลาทุกข์หาอยู่หากินทุกข์ต้องหาอาหารใส่ท้องวินล้นหาเงินหางานหาเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวทุกข์ต้องเข้าห้องน้ําทุกข์ต้องขยับตัวนอนนั่ง น, นานไปก็เมื่อยต้องเจ็บต้องปวดทุกข์กับความทุกข์โทลมทุกข์พระโรคภัยไข้เจ็บสองขารเริ่มมีโรคลุ่มเลา เห็นได้ชัดๆเลยว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปกายยังเป็นทุกข์ขนาดนี้จิตใจยิ่งเป็นทุกข์มากกว่าเยอะมีความสงบใจไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องพาไปหาทุกข์อีกแล้วขันธ์ห้ามันยังจําได้เพราะมีขันธ์ห้าจะทำยังไงไม่ให้จําเพราะไอ้ความจาได้เนี่ยมันที่ทําให้เราเป็นทุกข์ มันต้องมีเวทนามีความรู้สึกได้เพราะมีความรู้สึกได้เนี่ยมันจึงมีความไม่สบายกายไม่สบายใจได้มันจึงเป็นทุกข์เพราะมันมีความคิดมีอารมณ์ได้มันจึงทาให้เราเป็นทุกข์พระเจ้าจึงตรัสว่าสัจชนสัจทั้งหลายจึ่มีแต่ทุกข์กับทุกข์จิตใจพาไปหาทุกข์อยู่ตลอดเวลาขันห้ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันต้องมีการกระเพื่ม มีการไหวตัวตลอดเวลาจะไม่กระเพื่อไม่ไหวตัวไม่ได้ถ้าไม่กระเพื่อไม่ไหวตัวก็คือคนตายคือโต๊ะเก้าอี้เพราะจิตใจมีการกระเพื่อมีการไหวตัวนี้เองจึงทําให้ต้องเป็นทุกข์ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าควรหรือที่เราจะเอาใจไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นทุกข์ในเมื่อขันห้าตัวเราก็ยังเป็นทุกข์ตลอดเวลาขันห้าคนอื่นก็ยังเป็นทุกข์ตลอดเวลาควรหรือที่เราจะไปเกาะเกี่ยวทั้งผู้อื่นทั้งตัวเองให้เป็นทุกข์ จึงอย่าเข้าไปหลงยึดมั่นอาการที่มีการไหวๆไห ว, ไ ว, ไวตัวภายในจิตใจทุกขณะปัจจุบันปล่อยวางมันไปเรือยให้หมดเพราะเมื่ออะไรที่เราเนี่ยเอาใจให้เราเนี่ยไหลไปตามความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันก็จะขึ้นขึ้นลงลงไปตามความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เพราะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันไหวตัวกระเพื่อมตัวตลอดเวลาเปียบเหมือนคลื่นในน้องทะเลน้ําทะเลเดี๋ยวก็ราบเรียบ เดี๋ยวก็เป็นคลื่นเล็กคลื่นใหญ่จิตใจเราก็เป็นเช่นเดียวกันอย่างนั้นมีความราบเรียบได้ไม่นานเดี๋ยวก็มีคลื่นเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่เหตุปัจจัยที่มากระทบเราจะทำให้จิตใจเราไม่กระเพื่อมไม่ได้เปรียบเหมือนดังน้าทะเลเพราะมีขันห้าย่อมมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ ถ้าเราพยายามไปทำให้ใจของเราราบเรียบตลอดเวลาก็คือคนตายเราทำได้อย่างเดียวในท่ามกลางความเคลื่อนไหวมีจิตใจที่สงบและว่างเปล่าในท่ามกลางความสงบและความว่างเปล่ามีจิตใจที่กระเพื่อมและเคลื่อนไหวตลอดเวลาให้เราเห็นสัจธรรมความจริงแบบนี้ว่าธรรมชาติมีสองสิ่ง ธรรมชาติสิ่งหนึ่งมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาเรียกว่าสังขารคือสิ่งปรุงแต่งเปรียบเหมือนน้ำทะเลเดี๋ยวราบเรียบเดี๋ยวก็รู้สึกสงบนิ่งว่างเฉยการสงบนิ่งว่างเฉยนั้นก็เป็นอาการของน้ำทะเลหรือจิตใจอารมณ์ของใจขณะนั้น เสร็จแล้วความสงบราบเรียบนิ่งเฉยเดี๋ยวก็จะต้องเปลี่ยนไปเป็นขื่นเล็กขื่นใหญ่แล้วแต่สิ่งที่มากระทบไม่ใช่ว่าท่านกาใจผิดคืออะไรมากระทบแล้วก็ใจก็สงบราบเรียบเป็นพื้นอย่างนี้ที่แสดงถึงไม่กระจายถึงความเป็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าจิตใจนั้นย่อมเคลื่อนไหวไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ธรรมชาติของวิสังขารเปรียบเหมือนผู้ยืนดูน้าทะเลอยู่ที่ชายหาด ไม่ลงไปในน้ำทะเลเหล่านั้นเลยปล่อยให้จิตใจนั้นมีการกระเพื่อมเคลื่อนไหวไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ไม่เคยกระโดดลงไปเล่นน้ำทะเลเลยการปฏิบัติเปรียบเหมือนกับว่าถ้าใครเคยดูหนังกำลังภายในหรือเคยดูหนังเรื่องบินจาที่มีคนชุดดำมีกำลังภายในเร็วมากวิ่ง วิ่งวอวิ่งวนจะฆ่าคนชุดขาวที่บริสุทธิ์อยู่กลางวงล้อมคนชุดขาวที่อยู่กลางวงล้อมอาจจะเรียกสมมุติว่าเป็นใจเป็นธรรมธาตุนิพพานธาตุเป็นผู้รู้เป็นธาตุรู้เป็นอมตะธาตาุอตมตะธรรมหรือเป็นพระเอกส่วนผู้ที่มีกําลังภายในเร็วมากวิ่งวอกวิ่งวนคือจิตที่แสดงอาการทุกขณะปัจจุบันที่มีความเร็วมากจิตที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดนี่เหมือนกับว่าจะมีกําลังภายในเร็วที่สุด แต่ถ้าเ ค, เคยดูหนักกำลังภายในหรือเคยดูนินจาคนชุดขาวมีแต่ความสงบและว่างเปล่าอาศัยความสงบรสยบความเคลื่อนไหวไม่เคยหล่นลานไปกับสิ่งที่มาห้อมล้อมนั่นเลยเพราะใจที่มีความสงบไม่วันไหวไปตามความรู้สึกแนวคิดอารมณ์เขาจึงรอดพ้นจากความตายได้ไม่มีใครทำลายเขาได้เพราะว่ามีสติตื่นตันวรู้ตัวอยู่ในความสงบอยู่ตลอดเวลา ใครที่มีกําลังภายในเข้ามาเร็วๆจะคิดทำร่าเเขาต้องมีคนเพียงเห็นเพียงแค่แวับเดี่ยวเหมือนกับสายฟ้าเป็นเงาสีเงินยวงแวบเดี่ยวแล้วก็คนที่เข้ามาใกล้ก็ตายไปแล้วก็ไอ้ปากายสีเงินยวงก็หายไปแวบไปโดยไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรเป็นอาวุธแล้วไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหนสุด ท, ท้ายเขาเฉลยว่าดาบอยู่ที่ใจจึงมีคําว่าท่านไม่เคลื่อนไหวเราไม่เคลื่อนไหวท่านเคลื่อนไหว เราพันเคลื่อนไหวก่อนเจ้าหนึ่งเก้าก็เปรียบเหมือนว่าตาบใดที่เจ้าหลงไปหลงปับ๊บก็ขยับตัวปุ๊บแะหลงปั๊บขยับปุ๊บหลงปุ๊บขยับปับ๊บถ้าไม่หลงเหม่อเพลินไม่หลงคิดฟุ้งซ่านไม่ต้องทาอะไรแต่ถ้าหลงเหม่อเพลินหลงคิดฟุ้งซ่านไปต้องขยับตัวทุกครั้งเพื่อให้รู้สึกตัวขึ้นมา ยาหลงแล้วหลงเลยบอกว่ารู้เฉยเฉยก็รู้เฉยเฉยแล้วมันหลงไปแล้วถ้ารู้เฉยเฉยมันไม่หลงสิอย่างนี้ต้องขยับลงปั๊บขยับปุ๊บแต่เหมืนบางทีมาปฏิบัติค้างคืนกันบางคนบอกว่าอาจารย์แห้รู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาเลยไม่เคยหลงเลยแต่ตามมองนู่นมองบ้านคนนู่นมองบ้านคนนี้มองทิวทัศน์มองสวยงามโอ้หวันนี้อากาศดีโอ้วันนี้อากาศดีมากเลยไอ้เงี้ยมันหลงไปแล้วมันไม่ใจไม่อยู่กับตัว มัไปอยู่กันโน่นนะตึกหลาม บ, บ้านช่องไปอยู่คนโน้นคนดีแล้วอย่างนี้มันหลงบางทีคนนึงเข้ามาคนนี้เข้ามาใครเข้ามาล่ะใครเข้ามาเออจาจผมรู้สึกตัวตลอดเวลาเลยแต่ใครเข้ามาเนี่ยใครเข้ามาไ อ, อ้อย่างนี้มันหลงเละหลงใจไม่อยู่กับตัวมันหลงแล้วต้องขยับตัวปั๊บเล ย, ห ล, ยหลงปั๊บขยับปุบ๊บหลงปุ๊บขยับปั๊บนะแล้วเพลงเนี่ยคําสอนอยู่ในนี้ทั้งหมดนะห ล, หลงปั๊บขยับปุบ๊บหลงปุ๊บขยับปั๊บในในเพลงนี้ดีมากเลยแต่งดีมากแล้วผมก็ช่วยตรวจทานแก้ไขให้ คำสอนทั้งหมดหนังสือทุกเล่มที่ผมสอนทั้งหมดอยู่ใ น, ในเพลงนี้ทั้งหมดท่าไปทำความเข้าใจให้ดีนั่นแหละแต่ถ้ า, ถาไม่หลงก็ไปจุกบุญวายหมกมุ่นทําอะไรในจิตไม่หลงเมืเ่อเปิลเอาใจอยู่กับคนนี้คนนั้นคนนี้นคนนั้นไม่หลงคิดฟุ้งเฟ้ไปอย่างนี้ไม่ต้องขยับอะไรเพราะมันไม่ห ล, ล, ล, ล, ลงแล้วเมือ่อไม่หลงแล้วเมื่อคนชิดขาวเนี่ยมันจะมีกระเพื่อมอะไรหวั่นไหวไงถูกกระทบแล้วจ ะ, จะมันจะมีอาการยังไงก็ตามยาหวั่นไหวไปตามแค่รับรู้รับทราบต่างๆหมัวในกายใจจะทุกข์ จะสุกอะไรก็แค่รับรู้รับทราบจะคิดจะนึกจะตึกจะตอนจะเป็นกุศลนักกุศลก็แค่รับรู้รับทราบอย่าวันไหวไปตามอย่าไหลไปตามถลายปุ๊บต้องขยับตัวปั๊บลงปุ๊บขยับตัวปั๊บหลงปั๊บขยับตัวปุ๊บต้องรู้สึกตัวขึ้นมาขยับแล้วแล้วเลยไม่ต้องขยับแล้วเราคอยตามดูเฮ่มาหลงหรือเป่ามาหลงหรือป่าเนี่ยมาลงไม่ลงอันนี้หมกมุ่นอีกหลงอีกอย่างนี้หลงอีกขยับอีกลงแล้วขยับแล้วเออดูอีก ขยับแล้วดูอีกสังเกตอีกไอ้อย่างนี้มันหลงตลอดเวลาทุกครั้งที่เขาไปดูที่ก็ไปสังเกตก็ตขยับปุ๊บขยับแล้วแล้วเลยแล้อยู่กับปัจจุบันให้ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้ก ล, ลิ่นนิ้วลูกระดกายรู้สัมผัสเกิดอะไรขึ้นในใจก็รู้ตามธรรมชาติรู้อย่างธรรมชาติรับรู้รู้อย่างธรรมชาติรับรู้เนี่ยคือพุทธคือธรรมะคือสังฆะกิตที่เป็นอมาตะธาตุอมาตะธรรมหรือธรรมธาตุหรือนิพพานธาตุรู้อย่างเป็นธรรมชาติ การรู้อย่างเป็นธรรมชาติทําไมจึงเป็นธรรมก็เป็นธรรมชาติไงเป็นธรรมชาติจะไม่ปรุงแต่งเตสามูปสมโมสุขโขผู้ใดระงับดับจิตที่ปรุงแต่งก็ได้ดับจังขานปรุงแต่งก็ได้ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งนี่นหะคือนิพพานเมื่อเราไม่เหม่อเบือเพลินไม่ฟุงซ่านไปไม่เข้าไปหมกวนคุณคิดทำอะไรเป็นอะไรอยู่ในใจอุ่นวายดิ้นหลนผักสายอากาศอยู่ในใจคีวิตการปฏิบัติอยู่ปัจจุบัน ให้อยู่อย่างแค่รับรู้อย่างเป็นธรรมชาติปกติเมื่ อ, อไรที่ท่านไม่เหม่อเพลินคิดฟุ้งซ่านไปไม่เหม่อเพลินเอาจใจอยู่กับคนคนนี้ไม่เข้าไปหมกบุ่นอยู่แต่ข้างในมันก็เป็นธรรมชาติปกติของเขาขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติธรรมชาติของรู้เป็นยังไงธรรมชาติของรู้มันเป็นรู้ที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติไม่ใช่เราจงใจรู้ตั้งใจรู้เจตนารู้ พยายามรู้เพราะรู้เหล่านี้เป็นจิตปรุงแต่งไม่ใช่เป็นธรรมชาติรู้เอ้าแล้วจะรู้อย่างไงล่ะชีวิตในประจําวันจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นรู้อย่างธรรมชาติถ้าท่านเข้าใจถึงธรรมชาติของอายตนะทําไมพระเจ้าจึงตรัสสอนต้องเรียงมาตั้งแต่ธาตว่าชีวิตของเราประกอบไปด้วยธาตุดินน้าลมไฟอากาศธาตุวิญญาตธาตุรู้หรือวิญ ญ, ญาณธาตุจึงจะมารวมเป็นขันธ์หน้าดได้ คือขาน่าก็มีรูปเวทนาสัญญาตังขามิจ ญ, ญามีความรู้สึกมีคิดอารมณ์ทำให้เราเนี่ยสามารถมาติดต่อสื่อสารผู้คุยกันรู้เรื่องกันได้รับฟังได้ทําความเข้าใจได้เรียกว่าขาน่าทั้งหมดแล้วทําไมจึงมาสอนเรื่องอายตนะอีกล่ะอายตนะภายในอายตนะภายนอกเพื่อให้มาเข้าใจของการรับรู้ทางอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพื่อให้สมกับที่ตอดจอยกับภัยะหรือมาลุงกยาบุตรว่าถ้าเธอสักแต่ว่ารู้ทางตาทางหู ทางจมูกเห็นสักแตไว้เห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นสับแต่ว่ได้ ก, ก, กลิ่นรู้ร ส, สสักแต่ว่รู้รสสัมผัสสับแต่วารู้สัมผัสรู้ในใจธรรมลมสิ่งใดที่เกิดขึ้นในใจสักแต่ว่ารู้ทั้งหกภวานตาหูจมูกจีรจ่ายใจสักแต่ว่ารับรู้รับทราบแค่รู้เท่านั้นนั่นแนะเธอจะเป็นที่สุดแห่งทุกราคะโทสะโมหะจะยอมใจเธอไม่ได้ไม่ใช่ว่าเธอจะไม่เกิดราคะโทสะโมหะนะ ลาข้าโทสะโมหะจะย้อมใจเธอไม่ได้อีกต่อไปเธอจะเป็นที่สุดแห่งทุกข์จะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้ในโลกท่ามกลางและในโลกหน้าทั้งหมดวิธีการปฏิบัติให้ถึงซึ่งความเป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็ตรงนี้เองเคล็วิชาคือรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่างเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทาไมมันจึงเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ได้เล่าถ้าเราเมือเผล อ, อ, อคิดฟุ้งซ่านไป มันก็เหลือแต่ประตูเดียวคือคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยอการเห็นเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สนใจที่การเห็นได้ยินก็ไม่สนใจที่จะได้ยินแล้วหูได้ยินหูก็จมูกก็ไ่ได้กิน่นลิ้นก็ไม่รู้รสกายก็ไม่รู้อากาศร้อนอากาศเย็นใจมีความรู้สึกนึกอะไรก็ไม่รู้รู้แต่คิดอย่างเดียวเรื่องเดียวแต่ตั้งใจจ ะ, จะคิดอย่างเดียวคิดอย่างเดียว ค, คิดนู้นคิดนี้หลงไปประตูเดียวหรือหลงอาะจายไปอยู่กับสิ่งโน้นสิ่งนี้เช่นบอกว่าทําความรู้สึกตัวอยู่แต่ในความรู้สึกตัวนั้นเนี่ยแอร์เย็นก็ไม่รู้แล้วใครเดินก่อแก่ก่อแก มันรู้แต่อย่างเดียวว่าบ้านใครโอ้บ้านคนนั้นบ้าน yes, ใครสวยเออคนนั้นใครเดินเขา้ามาแต่งตัวสวยมันรู้อยู่อันเดียวรู้แต่ประตูเดียวประตูที่เน้นที่ตรงต้องการจะรู้อันเดียวเรียกว่าเข้าไปสนใจให้ค่ายความสําคัญประตูเดียวเรียกว่าหลงใจไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมการรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นยังไงรู้สึกตัวทั่วพร้อมอายตนะภายในอายตนะภายนอกมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกทําไมจึงต้องให้ท่านเข้าใจเรื่องอายตนะภายในกับภายนอกมันต้องโยงมาจากง่ายๆก่อนคือเวลาเราตื่นนอนตอนเช้ายัางไม่ทันจะลืมตาเลยได้ยินเสียงไก่ขันได้ยินเสียงนกร้องท่านตั้งใจย์ฟังให้ดีตรงนี้ตอนตื่นนอนตอนเช้ายัางไม่ทันจะตั้งใจทําอะไรเลย พอรู้สึกตัวพุ๊บได้ยินเสียงไก่ขันก่อนแล้วได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงคนทํากับข้าวได้ยินเสียงรถมันได้ยินขึ้นมาเองเพราะมีหูกับเสียงและเรายังมีชีวิตคือมีวิญญาณเป็นโสตวิญญาณมันจึงเกิดการได้ยินขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะมีเสียงมีหูหูยังไม่หนวกเพราะมีวิญญาณขันคือยังไม่ใช่คนตายมันก็เลยได้ยินท่านจะเห็นว่า การได้ยินไม่ได้ผ่านกระบวนการของระบบการคิดอะไรเลยยังไม่ได้จงใจจะได้ยินยังไม่ตั้งใจจะได้ยินยังไม่มีเจตนาจะได้ยินยังไม่มีความพยายามจะได้ยินตรงนี้ที่ผมพยายามพูดเน้นๆกับท่านเพื่อจะเข้ามาสู่ประตูใจที่รู้ประตูใจที่ท่านพยายามตั้งใจรู้เจตนารู้จงใจรู้พยายามรู้ประตูใจมันจึงไม่สามารถเข้าถึงธรรมที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ได้เพราะท่านไม่รู้ประตูใจเหมือนดังที่หูท่าน รู้เสียงขึ้นมาเองโดยปัตโตอัตโนมัติของธรรมชาติโดยที่ท่านไม่ทันได้ตั้งใจที่จะรู้จงใจที่จะรู้เจตนาที่ จ, จะรู้พยายามที่จะรู้ตื่นเช้าได้ยินเสียงไก่ขันได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงรถบินโดยที่ท่านไม่ทันตั้งใจนั่นแน่คือรู้ที่เป็นธรรมชาติรู้ที่เป็นพุท ธ, ธะที่เป็นนิพพ า, านธาตุแต่ความที่ท่านไม่เข้าใจตรงนี้พอท่านเริ่มมาปฏิบัติธรรมการรู้ของท่านก็เปลี่ยนไปซึ่งไม่ใช่รู้ที่เป็นธรรมชาติ เพราะท่านเริ่มมีความตั้งใจที่จะดูจิตพยายามที่จะดูจิตพยายามที่จะรู้จิตพยายามที่จะทําอะไรให้เป็นอะไรการพยายามเกิดขึ้นทันทีโดยที่เราไม่เข้าใจว่าการเราปฏิบัติทําทั้งหมดเพื่อให้สิ้นสังขารปรุงแต่งสิ่งใดที่เราไปทําแล้วให้ผิดจากธรรมชาติไปให้รู้ท่าันทุกครั้งจนสิ้นการหลงปรุงแต่งที่ผิดไปจากธรรมชาติไม่ใช่ว่าเรามาทําอะไรยิ่งทําอะไรเข้าไปให้เป็นอะไระนั้นพระเจ้าจะไม่ตัดรัสว่า ทายะจะไปหานิพพานที่ไหนนิพพานมันอยู่ที่การสับแต่พารู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเป็นธรรมชาติปกตินี่ไม่ใช่เหรอทายะฟังทำแค่นี้จบก็บรรู้อรุอรหันต์ทันทีต่อมาก็ตัดกลับมาลุงกายะบุตรและตัดกลับอีกหลายท่านต่อๆมาว่านิพพานเธอไปหาที่ไหนนิพพานมันอยู่ที่ใจของเธอนี้ที่สับแต่วารู้ไม่ใช่เหรอสับแต่วารู้อย่างเป็นธรรมชาตินี่แนะ่ไมนคือนิพพานธาตุไม่ใช่ไปหานิพพานที่ไหนมารุงกายบุตร นำไปพิจารณาและปฏิบัติการที่พุทองค์สอนสักแต่ว่าก็บรรลุอลหรหันต์ไปนั้นปฏิจจสมัยสอนอายตนะภายในอายตนะเพนนอกก็นี่ไงตื่นเช้ามาไม่ทันตั้งใจจะฟังเสียงเสียงก็มาแล้วลืมตาตื่นเช้าไม่ตั้งใจจะเห็นในห้องลูกก็มากระทบตาแล้วไม่ทันต้องตั้งใจเลยถามว่าลืมตางแล้วก็บอกว่าต้อง ก่อนจะลืมตาขอข้าพเจ้าจงเห็นทุกต้องเห็นในห้องนี้มีใครทําอย่างนี้ไหมไม่มีมิจตลืมตาปุ๊บมือมาก็เห็นเลยเพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติของการเห็นมันเป็นธรรมชาติของการได้ยินถ้านอนอยู่ใครทากับข้าวจากห้องครัวลอยมาไม่ทำจะตั้งใจดมกินเลยกินมันก็ลอยมาเองเยเห็นไหมพอท่านอะไรใส่ลิ้นไปหรือท่านไม่ใส่ลิ้นความจิมมก็มีรสอยู่แล้วแต่ท่านไม่รู้นั่นมันคือรสต่างกลาง คือไม่มีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรความจิ้มก็รู้รสอยู่แล้วไม่มีกลิ่นอะไรก็คือ ก, อกลอิ่นกลางๆกายถึงนอนมาตอนเช้าบางคนตื่นเช้ามาไม่ทันจะตั้งใจเลยวันนี้อากาศเป็นทำไมหนาวแบบนี้ก่อนนอนยังไม่หนาวเลยตื่นเช้ามาหนาวแล้วต้องตั้งใจรู้ไหมว่ามันหนาวตื่นมามันหนาวเลยมันมันความหนาวลอยมาเลยตื่นมาอุ้ยวันนี้มันอากาศมันร้อนแบบนี้เนี่ยต้องตั้งใจไหมว่าวันนี้อากาศเป็นไนข้าพเจ้าจะต้องรู้ต้องตั้งใจไหมมัน ไม่ต้องตั้งใจอยู่ๆรูปก็ลอยมาสู่ตาอยู่ๆเสียงก็ลอยมาสู่หูอยู่ๆกลิ่นก็ลอยมาสู่จมูกอยู่ๆรถก็มาสู่ลิ้นอยู่ๆอากาศร้อนอากาศเย็นการรู้สัมผัสนอนที่นอนอ่อนนุ่มหรือนอนที่นอนแข็งมันก็รู้สัมผัสกันมาเองอยู่ๆก็รู้ทำอารมณ์ขึ้นมาเองว่าจิตใจวันนี้เป็นอย่างไงสบายใจไหมสบายใจมีความรู้สึกไปคิดอารมณ์อะไร ตื่นเช้มาตอนเช้าไม่ทันจะตั้งใจรู้มันก็รู้เลยว่าวันนี้ตื่นมาตอนเช้าจิตใจเป็นยังไงค <ier> วามที่ท่านรู้ว่าวันนี้ตื่นมาตอนเช้าจิตใจเป็นยังไงโดยที่ท่านยังไม่ทนันตั้งใจที่จะดูจิต น, นั่นแหละคือความรู้ที่เป็นพุท ธ, ธะความรู้ที่เป็นธรรมชาติเราฝึกมาทั้งหมดเพื่อกลับคืนไปสู่ธรรมชาติรู้ที่เป็นรู้อย่างธรรมชาติรู้ที่ไม่ปรุงแต่งที่ไม่ใช่สติตปรุงแต่งเพื่อกํกจาจัดสติปรุงแต่ง เพื่อกำจัดความหลงพงศ์แต่งเท่านั้นเองเพราะอะไรเ mm hmm. ตสังอุปะสะโมสุโคที่พระพุทธองค์ได้ตัดเอาไว้ mm hmm. เพื่อใดล่ะครับดับสองขานพงแต่งที่พงศงแต่งก็ได้กว่าพงแต่งก็ได้ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งนี่ไนคือปนิพานทํทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องค่อยๆสอนไปตั้งแต่จะเป็นชาวบ้านทั่วไปก็สอนตั้งแต่ทานศีลให้รู้จัก บ, บาปบุญกุลบุ แล้วก็ให้สอนภาวนาให้รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็เริ่มตั้งแต่ธาตุว่าชีวิตเราเนี่ยดินน้ําลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุธาตุรู้มันไม่มีใครไม่มีอะไรเลยเป็นของของเราอย่างพาวรมันเป็นเพียงแค่ยืมมาใส่ธาตุเข้ามารวมกันด้วยอํานาจของอวิชชาคือความหลงไม่เข้าใจตามความเป็นจริงไม่เข้าใจตามความเป็นจริงอะไรก็ไม่เข้าใจย่งความจริงว่าชีวิตร่างกายจิตใจมันเป็นธาตุมันมากอบไปด้วยธาตุดินน้ําลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้นั่นมันรวมกัน โดยอนาอาวิชชาเหมือนกาวลาเท็กมันมันมาติดกันได้เอาธาตุมาติดกันได้ธาตุทั้งหมดในตัวเรานี้ร่างกายจิตใจนี้ไม่มีอะไรเลยที่เป็นของของเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเป็นแต่อวิชชาคือกาวลาเท็กหรือกาวตาจ้างอ่ะมันยังมีคุณภาพอยู่มาเลยสามารถเนี่ยเอาธาตุเนี่ยมารวมกันได้เ<อ>พราะความไม่เข้าใจตามความเป็นจริงอวิชชาคือไม่เข้าใจตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าจึงพยายามสอนให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีหรอกตัวเราอ่ะ เพราะมันมีแค่ธาตุมารวมกันเดี๋ยวพอตายแล้วธาตุขันมันดับหมดแตกไปเป็นธาตุขายธาตุมันมันก็ไม่เหลือร่างกายเป็นตัวเราไปแต่เพราะความที่หลงไม่เข้าใจตามความเป็นจริงนี้มันก็เอาธาตุมารวมกันอีกแล้วแต่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วจะส่งผลให้ธาตุนั้นเนี่ยมารวมเป็นตัวอะไรเช่นบางชาติก็มารวมกันรูปร่างเหมือนไก่บางชาติก็มารวมกันรูปร่างเหมือนแมวบางชาติก็มารวมกันรูป ร, รป่างเหมือนหมา บางชาก็มารวมกัน ร, รูปร่างเหมือนกับเทพเทวดาบางชาติก็มารวมกัน ร, รูปร่างเหมือนสัตว์นรกบางชาตก็รุ่รวมกันเป็นผู้หญิงบางชาก็รวมกันเป็นผู้ชายแล้วแต่ว่ากรรมนั้นจะปั้นให้เป็นอะไรแต่การมารวมกันได้เพราะอาวิชชาตัวเดียวคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงพระพุทธองค์จึงพยายามตัดสอนให้รู้ถึงความเป็นจริงว่าร่างกายที่เรามานั่งอยู่ทุกวนันนี้ไม่มีส่วนใดเป็นขอของเราที่สุด ธาตุดินก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทุดโทรมแตกสลายเสื่อมโทรมสุดโทมไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บไปสู่ความตายไปสู่ความเน่าเปื่อยไปสู่ความผุพังธาตุน้ําก็จะต้องระเหยไปหมดสิน้นธาตุลมก็จะต้องเมื่าลำไส้เน่าเปื่อยแล้วก็ต้องละเหยไปธาตุไฟก็ต้องละเหยไปหรือตัวก็เย็นแข็งทื่อเหมือนก้อนหินเหมือนท่านไม้ธาตุรู้หรือวิญญาธาตุก็กลับคืนสู่ความว่างของจักรวาลกลับคืนตามศาศาคุณสบัติของเขา คำว่าธาตุไม่ได้แปลเหมือนกับภาษาไทยเรา ท, ที่เราเข้าใจว่าธาตุคือก้อนธาตุแต่ธาตุนี่ในที่นี้เรียก อ, อ่านภาษาว่าธาตุหรือธาตุในภาษาไทยเนี่ยนันหมายถึงคุณสมบัติอย่างนั้นเฉพาะตนของสิ่งนั้นคือธาตุดินคุณสมบัติของเขาคือแข็งธาตุน้ําก็คือคุณสมบัติของน้ําเหลวธาตุลมคุณสมบัติของลมก็เคลื่อนไหวพัดโบกธาตุไฟคุณสมบัติของไฟก็ เป็นความร้อนธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุกุตุบัติก็คือมีความว่างอันเดียวกับความว่างของจักรวา ล, hurting, าลไม่มีตัวตนไม่มีรูปรา่างไม่มีที่อยู่ไม่มีอาการกระเพื่มใดๆไม่มีอาการอะไรให้จับความรู้สึกใดไม่สามารถเอาอาการมาบอกได้ว่าเอออาจารย์หนูเป็นอย่างนี้ผมเป็นอย่างเนี้ยผมมีอาการอย่างนี้เป็นอาการอย่างนั้นผมนิ่งผมเฉยหนูหนูร <s windows> ู้สึกว่ามันรู้ๆแล้วตัวหนูถูกดูกเข้าไปในถ้ำเลยๆอย่างเนี้ไอ้ที่เอาอาการมาบอกได้อั น, นั้นไม่ใช่ท่านรู้ เพราะว่าท่านรู้เนี่ยไม่สามารถเอาอาการมาบอกได้เพราะไม่มีอะไรรู้ท่านรู้ได้เพราะว่าท่านรู้มีหน้าที่รู้เขาอย่างเดียวตัวเองไม่อาจถูกรู้ได้ดังนั้นในที่ว่าเรามารู้ได้ว่าโอ้รู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้เนี่ยแล้วผู้รู้เนี่ยถูกดูเข้าไปในถ้ารู้แล้วมันดูดเข้าไปในแสงหว่างรู้แล้วมันดูดเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยอันนี้ไม่ใช่ท่านรู้อันนี้มันคือจิตปรุงแต่งเป็นขันห้าอาการอะไรก็ตามที่เราจงใจรู้เจตนารู้พยายามรู้ตั้งใจรู้รู้แล้วดูดเข้าไปรู้แล้วมีอาการอย่างนี้รู้แล้วมีอาการเป็นอย่างนั้น ที่ท่านเอามาบอกผมได้ว่าเปหนูเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนี้ผมเป็นอย่างนั้นหนูเป็นอย่างนี้อันนี้คือขันห้าคือสังขารปุงแต่งแตท่านรู้เกิดขึ้นไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ไม่มีอะไรจะดับไปเพราะเขาเป็นวิสังขารวิสังขารย่อมไม่มีการเกิดขึ้นเจ้าไม่มีการตั้งอยู่ย่อมไม่มีการดับไปสังขารเท่านั้นที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งใดที่เอามาบอกผมได้สิ่งนั้นเป็นสังขารปรงแต่งหมดเพราะมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่และมีการดับไปสิ่งใดก็ตามถ้าสามารถ ปรากฏอาการได้เคลื่อนไหวได้กระเพื่อมได้เอาอาการนั้นมาบอกได้ถ้ามันเกิดได้มันก็ต้องดับได้แสดงว่ามันเป็นสังขารทั้งหมดไม่ใช่วิสังขารคือธาตุรู้ถ้าท่านเข้าใจแบบนี้การปฏิบัติไม่ยากเลยอาการอะไรก็ตามในทุกขณะปัจจุบันลืมตาตามองเห็นรูปรูปเป็นอายตนะภายนอกตาเป็นอายตนะภายในก็ได้แต่เห็นกันเฉยๆได้ทาอะไรกับรูปได้ ถ้ามองเห็นล <wh> you know like like ูกจะมีล <m üzik> ูกกี่คนตักี่คนถ้าไเห็นงงหงุดหงิดลังคาลูกไปเลยวะอาจารย์ทําไมมันหงุดหงิดกับการเห็นมากเลยอาจารย์เนี่ยเนี่มันเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนู่นเนั่นหนูไม่อยากให้เห็นเลยผมไม่อยากให้เห็นเลยมีใครไหมมาพูดอย่างเงี้ยมีแต่คนบอกว่าไม่อยากให้ตาบอดอยากให้เห็นแต่ทําไมเวลาตอนเช้าตอนสังเกตนะอาจารย์ทําไมใจมันเป็นอย่างนุ้นทําไมใจมันเป็นอย่างนีดทําไมมันไมเป็นอย่างนี้ทําไมท่านหลงพี่เลาหนยดีทําไมเวลาตาท่านเห็นลูกทําไมเห็นมาบ่นกับผมเลย ไม่อยากให้เห็นเลยไม่อยากให้เห็นไม่อยากให้เห็นเนี่ยแต่ทําไมพอลุยายาตนะภายนอกสิ่งที่รู้ได้ทางใจเป็นอายตนะภายนอกทั้งหมดเป็นธรรมอารมณ์พิจารณาตามไปนะรูปคู่กับตาตามองไม่เห็นตาแต่ตาจะเห็นแต่รูปท่านมองเห็นตาท่านไหมไม่เห็นท่านเห็นแต่อะไรไเห็นแต่รูปธรรมอารมณ์ สิ่งที่รู้ได้ทางใจทั้งหมดที่ท่านเอาอาการมาบอกได้เป็นอายาธนาภายนอกท่านจะรู้ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจทั้งหมดไม่ใช่ใจของท่านเพราะใจมันคืออายาธนาภายในทำมารมสิ่งที่รู้ได้ทางใจเป็นอายาธนาภายนอกตาเป็นอายาธนาภายในรูปที่เห็นผมเห็นบรรากาศข้างนอก เป็นอายะตนะภายนอกตาไม่เห็นตาตาเห็นแต่รูปใจเนี่ยเป็นอายะตนะภายในสิ่งที่รู้ได้ <S <S ทางใจที่ท่านเอาอาการมาบอกได้ที่มันเกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้มันมีอาการเกิดขึ้นย่อมมีอาการดับได้ที่เป็นสังขารทั้งหมดภายในใจเป็นอายะตนะภายนอกดังนั้นสิ่งที่รู้ได้ในใจทั้งหมดไม่ใช่ใจเพราะใจมันคืออายตนะภายในไม่สามารถที่จะรู้ตัวมันได้เพราะอะไร ก็เหมือนกับตาเป็นอายะตะนะภายในตาย่อมไม่เห็นตาตาย่อ ม, มเห็นแต่รูปใจย่อมไม่รู้ใจใจย่อมรู้แต่ธำ ร, รมลมแต่ความที่เราไม่เข้าใจความเป็นจริงอันนี้เราไปยึดเอาอาการที่เกิดขึ้นในใจเราเป็นใจของเราเราลืมไปเลยว่าใจคืออายะตะนะภายในเทียบได้กับตาที่เห็นรูปตาย่อมไม่เห็นตาเห็นแต่รูป ใจย่อมไม่รู้ใจสิ mean, really ่งที่รู้ได้ในใจทั้งหมดจึงไม่ใช่ใจเพราะใจมีหน้าที่รู้รู้ธรรมอารมณ์เท่านั้นเองตามีหน้าที่เห็นรูปเท่านั้นเองเพราะจะไม่เห็นตาหูจะได้ยินแต่เสียงแต่ไม่ได้ยินหูใจย่อมรู้ไม่รู้ใจรู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจแต่หลายคนมาหาผมแล้วตั้งแต่เช้ามาก็บ่นแล้วว่าใจหนูไม่สบายเลยใจผมเป็นอย่างนี้ใจผมเป็นอย่างนั้นใจนู้นเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แล้วจะว่าเขาจะถูกหรือเขาจะผิด เข้าใจผิดเพราะสิ่งที่มาบอกผมเป็นอายตนะภายนอกเท่ากับท่านเนี่ยเอาเรื่องของคนอื่นมาบอกผมหมดเลยตลอดเวลาทำไมจึงเท่ากับท่านเอาเรื่องของคนอื่นมาบอกผมตลอดเวลาก็เพราะว่าตาเป็นอายตนะภายในสิ่งที่ตามองเห็นคืออายะตนะภายนอกสิ่งที่รู้ได้ทางใจทั้งหมดเรียกว่าธรรมอารมณ์เป็นอายะตนะภายนอกใจเทียบได้กับตาคืออายตนะภายใน ตาไม่เห็นตาเห็นแต่สิ่งที่ลูกข้างนอกใจย่อมไม่รู้ใจย่อมรู้แต่อาการที่เกิดขึ้นในใจแต่เวลาท่านเอามาพูดท่านเอาอาการในใจมาบ่นให้ผมฟังมาบ่นอาการในใจเท่ากับท่านามาบ่นก็ใผมฟังตลอดไปแล้วอาจารย์ทํำไมคนที่ผมเห็นเป็นอย่างนู้นทไมคนที่เหวี่ยงคเต้องเป็นอย่างนี้เขาต้องเป็นอย่างงู้นเขาจะเป็นอย่างนี้ทำไมนี่เป็นอย่างนี้บ้านช่องตึกลาบ้านช่องทำไมจะเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ทไมจะเป็นงี่งี้พี่เพราะอะไรท่านเอาอายตนะภายนอกมาบ่นให้ผมฟังแต่ท่านเข้าใจผิดเอาอายตนะภายนอกมาเป็นใจของท่าน เลยท่านมาบนว่าใจหนูเป็นอย่างนี้ใจผมเป็นอย่างนั้นใจผมเป็นอย่างนี้ใจผมเป็นอย่างนี้ท่านเอาอายะตะนอกมาเป็นมาเป็นอายตนะภายในมาเป็นใจของท่านนี่พระุทธเจ้าจึงสอนธาตุขันอายะตะเพราะฉะนั้นใจไม่มีอาการใดเลยเหมือนด่งตาไม่เห็นตาใจย่อมไม่สามารถรู้ใจได้ตาย่อมไม่สามารถมองเห็นตาได้ ย่อมเห็นแต่รูปหูย่อมไม่ได้ได้ยินหูตัวเองแต่ได้ยินแต่เสียงใจย่อมไม่สามารถรู้ใจตนเองรู้แต่ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจดังนั้นใจคือรู้หรือเหมือนกับตาคือเห็นคือสิ่งที่มองเห็นเป็นยะาตาเป็ไนไนดังนั้นท่านอย่าหลงเข้าใจผิดเอาอายะตะนะภายนอกซึ่งเป็นธรรมอารมณ์เอาอาการทั้งหมดมาเป็นใจของท่าน เพียงแค่ท่านเข้าใจอย่างนี้ท่านก็จะละทิ้งอายะตนะภายนอกคือธรรมลมได้เสียหมดสิน้นแล้วเข้าสู่ใจของท่านคือใจหาไม่พบเพราะเหมือนดงตาไม่เห็นตาท่านจึงไม่ต้องหาใจเพราะตาหาตาไม่ได้เพียงแต่ท่านไม่ติดรูปก็หมดปัญหาไปแล้วท่านไม่ติดเสียงก็หมดปัญหาไปแล้วท่านไม่ติดกลิ่นก็หมดปัญหาไปแล้ว ท่านไม่ติดรถก็หมดปัญหาไปแล้วท่านไม่ติดสิ่งที่มาสัมผัสกายก็หมดปัญหาไปแล้วท่านไม่ติดทำอารมณ์คืออาการที่รู้ได้ทางใจก็หมดปัญหาไปแล้วท่านจึงไม่ต้องแสวงหาอายตนะภายในเพียงแต่ท่านไม่ติดอายตนะภายนอกท่านก็เข้าถึงใจแล้วเข้าถึงธรรมแล้วเข้าถึงธาตุรู้ที่เป็นนิพพานธาตุแล้วเพราะธาตุรู้ปัญหาไม่ได้มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติจากที่ท่านไม่ติดอายตนะภายนอกดังนั้นธรรมหรือนิพพานหรือใจจึงหาไม่ได้ เหมือนดั่งตาเนี่ยมันหาตาไม่ได้แต่ท่านไม่ต้องเสียเวลาไปหาตาใจมันหาใจไม่ได้ท่านจึงไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาใจใจมันคือธรรมท่านจึงไม่ต้องไปงแสวงหาธรรมหรือหาทิพย์านเหมือนดัง่งตาย่อมหาตาไม่ได้เพียงแต่ท่านไม่ติดสิ่งที่รู้ได้ทางตาทางหูทางจม OK, ูกทางลิ้นทางกายทางใจธรรมอารมณ์ทั้งหมดที่รู้ได้ทางใจทั้งหมดท่านก็ถึงซึ่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของการรับรู้แล้ว พระพุทธเจ้าจึงตัดกับพายะมารุกบุยบทหลายท่านว่าการที่จะมารุกุยธรรมหรือมารุกุนิพพานเพียงแค่นี้เองสัแต่ว่ารับรู้นี่แหละเป็นหนทางเป็นวิธีทางเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นที่สุดแห่งทุกจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้ไม่มีตัวตนของเธอในโลกไหนต่อไปจึงเป็นที่มาของคําว่าสัพต่ว่าหู้ซึซึฮู้ซึซึ ที่คู่ซื่อที่ภาษาอีสานว่ามาไปหนังสือว่ารู้ซื่อๆมันเนี่ยทําไมจึงบอกว่ามาปฏิบัติศักแต่ว่ารับรู้อย่างเป็นธรรมชาติฉังนั้นถ้าเมื่อไหร่ท่านจงใจเข้าไปรับรู้เจตนาเข้าไปดูตั้งใจเข้าไปดูพยายามเข้าไปดูล้วนแต่พุงแต่งหมดท่านดูยังไงก็ไม่พบใจท่านเพียงแต่ละธรอารมณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของท่านทั้งหมดไม่เข้าไปสนใจให้ค่ายความสำคัญ ต่างๆของมูกริ้นกายใจทุกขณะปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นเองและดับไปเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเอ ง, เองท่านเพียงแต่อย่าคิดปรุงแต่งดิ้นหลนค้นหาไปอย่าปล่อยให้ฟุ้งซ่านเกาะเกี่ยวผัวพันติ่งตัวสิ่งนี้ไม่ติดไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วสิ้นการดิ้นหนค้นหาสิ่งการปรุงแต่งให้สิ้นเชิงเพราะท่านดิ้นหลนไปยังไงท่านก็หาใจหาธรรมหาอนิพพานไม่เจอเหมือนดังท่านหาตาของท่านเองท่านย่อมมองไม่เห็นตาของท่านจันใด ใจย่อมไม่รู้ใจใจนั่นเนี่ยคือธรรมคือนิพพานธานคือธรรมธาตุดังที่ท่านครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าพบใจพบธรรมถึงใจถึงพระนิพพานแต่เป็นคําพูดจริงๆแล้วไม่สามารถเข้าไปหาใจได้เพราะเหมือนกับที่ท่านไม่สามารถหาตาได้ตาย่อมเห็นตาได้ฉันใดครูบาอาจารย์จึงบอกว่าอันนี้เป็นแค่ปริศนาธรรมคือเมื่อไรที่ใจไม่ติดจิต ที่ปรุงแต่งที่คิดนึกถึงความปรุงแต่งเมื่อนั้นเนี่ยก็จะบรรลุสู่ใจที่พบใจพบธรรมถึงใจถึงปณิพานธจิตตัวนี้ก็หมายถึงจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็คือทำอารมณ์นั่นเองส่วนใจก็คืออายะสนะภายในที่บ ร, รรลุทำอารมณ์นั้นเมื่อใจไม่ติดจิตเมื่อไหร่เมื่อนั้นแนี่ก็จะพบธรรมปณิพันธ์นี่เป็นคําสอนของหลวงปู่เทศเทสังติวตินมักเป่ง ก็จงรับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าเข้าไปติดลับติดจําติดพอใจไม่พอใจทุกขณะปัจจุบันรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนดัง่งตาเห็นรูปหูฟังเสียงตาก็เห็นรูปขึ้นมาเองหูได้ยินเสียงขึ้นมาเองจมูกก็ได้กลิ่นขึ้นมาเองลิ้นก็รู้รสขึ้นมาเองกายก็รู้สัมผัสขึ้นมาเองใจก็รู้ใจขึ้นมาเองเราทําอย่างเดียวคือไม่ปล่อยหเหมื่อเพลินฟุ้งซ่านเกาะเกี่ยวพัวพันสิงนน่งนู้นสิ่งนี้ไม่เข้าไปไดิ้ น, นห า, หนาไไดล่นค้นหาสิ่ง เมื่อหลายที่ใจไม่ติดจิตไม่ติตติ่งยิ่งดีรู้ไปนั่นแหละก็จะพบใจกรรมเองพบธรรกรรมเองนี่เป็นคํา ส, สอนของพระพุทธเจ้าพระลานทั้งหลายทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอายตนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจสีก็คือว่าเมื่อใดท่านหลงวุ่นวายก่อเกี่ยวพัวพันส่งจิตออกนอกนั่นก็คือเข้าสู่กระบวนการปฏิจจสมุปบาท เมื่อใดที่ท่านไม่หลงตรงคิดออกนอกก็เกี่ยวพัวพันหลงคิดปวงตานเกาะเกี่ยวพันธันถิ่งนู่นถิงนี้หลงเข้าไปหมกมุ่นดิหล่นก้นหาอยู่ภายในคือทุกครั้งที่หลงตรงคิดออกนอกตัวกระจายไม่อยู่ด้วยกันคือส่งคิดออกนอกกายส่งคิดออกนอกที่กระทำอะไรในปัจจุบันเรียกว่าส่งคิดออกนอกคือตัวทําอะไรอยู่แต่ใจไปแล้วตัวนั่งฟังอยู่ที่นี่แต่ใจไม่อยู่กับตัวแล้วอย่างนี้เรียกว่าส่งคิดออกนอกทุกครั้งที่ท่านส่งคิดออกนอก ไม่ว่าจะส่งไปรับส่งไปชังล้วนแต่ส่งจิตออกนอกขณะที่ท่านส่งจิตออกนอกก็เป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือเข้าสู่กระบวนการของปฏิจจสมุปบาททันทีคือเป็นอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือหลงคิดปรุงแต่งไปหลงส่งจิตออกนอกไปหลงปรุงแต่งจิตไปเป็นอวิชชาคือหลงปรุงแต่งจิตโดยไม่รู้ตัวไม่รู้เท่าทันก็รู้เท่าทันหลงปรับขยับปุ๊บหลงปุ๊บขยับปับไม่หลงไม่ต้องทําอะไรรับรู้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นแหละ ท่านก็จะพบใจพบธรรมเองขึ้นมาเองอัตโนมัติปติดจากสมุปบาททั้งหมดก็แค่นี้การที่ท่านไปรู้อะไรจดจ่อไว้ลู้คาไว้ตลอดเวลาพยายามดูรู้เห็นจิตพยายามดูรู่อะไรไว้ตลอดเวลานั่นแหะคือพบคือชาติที่หลวงตาห ม, มาบัวท่านได้กล่าวว่ามีจุดผู้รู้มีต่อมผู้รู้ตรงไหนนั่นแหละคือพบนี่นคือชาติไอ้ผู้รู้อันนั้นเนี่ยคืออาวิชาตัวจริงท่านต้องจําไว้ว่าอย่าไปรู้อะไรคาไว้อย่าไปดูอย่าไปรู้อะไรจ่อไว้เพียงแต่ท่านรับรู้ ตองตาหูวใจหมุกเล็งแก่ใจอย่างเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ต้งจงใจตั้งใจเจตนาที่จะรู้ที่จะดูเพราะการจงใจตั้งใจเจตนามันจะมีผู้รู้มีผู้ดูมันจะเป็นพบเพราะว่ามีสิ่งล้วนใรู้คาไว้มันจะเป็นพบผู้รู้นั่นแหละคืออวิชชาสิ้นการจดจอ่อสิ้นรู้คาไว้สิ้นผู้รู้นั่นแหละพบก็ดับอวิชชากรดับปฏิจจสมุปบาทก็ดับก็จบคําสอนใน ธาตุขันยัตนะปฏิจจสมุปบาทนิยน ส, สสีก็แค่นี้เองจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกผลทั้งจิตส่งออกเป็นทุกจิตเห็นจิตรู้ต่อทานจิตขณะส่งออกเป็นมรผลใ น, นจิตเห็นจิตคือรู้ต่อทานจิตขณะส่งออกสิ้นจิตส่งออกนอกก็เป็นนิโรธคือความพ้นจากทุกหรือความจับทุกคําสอนทั้งหมดรวมลงในนิยน ส, สสีแปดหมื่นสี่พันมัธยมขันรวมลงที่นิยน ส, สสีนี้เองคือ รู้เท่าทันจิตส่งออกนอกทุกขณะปัจจุบันจนสิ้นการหลงส่งจิตออกนอกก็สิน้นทุกสิ้นการเวียนไหวใจเกิดสิ้นการเวียนบนโดยสิ้นเชิงเพราะว่าสิ้นการหลงส่งจิตออกนอกปฏิจจสมบาตซึ่งเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดทุกเกิดการเวียนไหวใจเกิดเกิดพบชาติก็จบสิน้นลงไม่ใช่ไปดูลูกคาอะไรจ่อไว้ไม่ใช่ว่ามีอาการอะไรสบายลูกคาอาการสบายอะไรไว้ล้วนแต่เป็นพบเป็นชาติตทั้งสิ้นต่อยท่านสบายตลอดเวลาว่างตลอดเวลาอันนั้นแหะคือภพ ถ้าท่านรู้สึกสบายาอย่างต่อเนื่องถ้าท่านรู้สึกว่างต่อเนื่องอันนั้นเนี่ยคือพเพราะท่านมีจุดผู้รู้ไว้ตรงไหนนั่นแหละคือต่อมผู้รู้นั่นแหละคือพบคือชาตินั่นผู้รู้นั่นแหละคืออาวิชาตัวแท้จริงท่านจงทาลายทั้งต่อมผู้รู้แล้ ar. วก็ผู้รู้ไปเสียพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้คําคว่าฆ่าก็คือละไปเสียปล่อยวางไปเสียแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันที่เป็นการรับรู้่างตาจมูกลิ้นแก่ใจอย่างไม่เป็นผู้หลงต่อไป ก็จะเป็นธรรมอย่างผู้ที่เป็นธรรมเป็นธรรมชาติปกติอย่าไหลไปในอดีตอย่าไหลไปในกับอนาคตอย่ามัวเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาอย่าไปมัวเสียเวลากับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงที่กังวลใจกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันรู้ปัจจุบันอย่างเป็นธรรมชาติต่างๆของจมูกลิ้นกายใจอย่าปล่อยให้มือเพื่อเพลนไปอย่าปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปอย่าไหลไปหาอดีตอย่าไหลไปอนาคต อยู่กับปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันอันนี้แหละที่เป็นธรรมเลยไปหลุกจกปัจจุบันไม่มีอะไรเป็นธรรมอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมารู้ปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันสักต่ว่ารู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขณะปัจจุบันนั่นแหละคือธรรมหลุกจากนี้ไม่มีอะไรเป็นธรรมทุกคนล้วนต้องประสบกับทุกทั้งสิ้น ทุกเพราะความแก่ทุกเพราะความเจ็บทุกเพราะความตายทุกเพราะความพัดผ้าทุกเพราะความไม่สมหวังทุกเพราะความไม่สมปรารถนามีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรดับไปจงปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนก็จะพ้นจากทุกไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในเป็นทุกในปัจจุบันก็จะไม่เป็นผู้หลงผู้ยึดให้เป็นทุกอีกต่อไป ในอนาคตการข้างหน้าก็จะไม่มีผู้หลงผู้จิตใหเป็นทุกข์ก็จะไม่มีพบชาติเบียนบวนให้เป็นทุกข์อีกต่อไปนี่แน่คือหลักธรรมคาสอนของพระเจ้าพระธรรพระอาารลานทั้งหมดที่ถ่ายทอดจา ก, กจิตสู่จิตสู่ทานรู้สู่ทานรู้จ า, ากใจสู่ธาใจพระยาพวกท่านทั้งหลายก็นำหลักธรรมคาสอนไปตอบพุทธปฏิบัติ